สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิแสทพี่บานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสี่สิบเรื่องพ่อของท่านคือมารตอนที่สองพี่น้องครับผมอยากฟพระวจนะของพระเจ้านะครับอีกครั้งหนึ่งในข้อที่สี่สิบสองจนถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดในพระธรรมยอห์นบทที่แปดข้อสี่สิบสองจนถึงข้อที่สีสิบเจ็ดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรับเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาเคตไหนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคําที่เราพูดนั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคําของเราไม่ได้ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทําตามความปรารถนาของพ่อท่าน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 ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังพี่น้องครับพวกฟาริสีพวกธรรมจานนั้นพระเยซูก็ตาหนิเขาและพระเยซูว่ากล่าวเขาบอกว่าพ่อของพวกเขานั้นคือมารถามว่าทำไมครับเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่เชื่อพระเยซูนะครับในขณะที่พระเยซู พูดความจริงและเขาไม่สามารถครับที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นไม่จริงนะครับมีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทําผิดพี่น้องครับเขาไม่สามารถที่จะหาเหตุฟ้องผิดปรง่งหรือจับผิดพระเยซูได้ในขณะที่พระเยซูพูดความจริงแล้วเขาไม่เชื่อแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า มีบางสิ่งบางอย่างปิดใจของพวกธรรมจารย์และฟาริสีถามว่าอะไรปิดใจพวกธรรมจาร์และฟาริสีก็คือการควบคุมครอบครองของมารซาตานครับมารซาตานนั้นมันฝังเอาความเท็จนะครับสิ่งที่ไม่มีสัจจะเข้ามาในชีวิตของพวกเขามารซาตานมารซาตานนั้นปิดหูปิดตาพวกเขามารซาตานนั้นทาให้พวกเขานั้นเป็นทาสของมัน พี่น้องครับและด้วยเหตุนี้นะครับการผูกมัดต่างๆอำนาจเบื่วิญญาณชั่วต่างๆของมันซาตานการควบคุมครอบครองชีวิตของคนที่มานซาตานมันทําอยู่นั้นเป็นเหตุที่ทําให้คนเหล่านี้ไม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจรับพชนะของพระเจ้าในข้อ47ครับพระเยซูพูดคําที่สําคัญมากนะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งพระเยซูพูดถึงหลักการที่สําคัญที่นี้เป็นความว่า ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังภรจนะของพระเจ้าผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพรจนะของพระเจ้าครับและพระเยซูก็ยังตรัสต่อไปว่าท่านหลายมิได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังพูดง่ายง่ก็คือว่าใครที่เป็นคนของพระเจ้าพอได้ยินเสียงพระเจ้าเขาจะรู้ครับและเขาจะฟัง okay. เหมือนกับที่พระเยซูพูดและตรัสในยอห์นบทที่สิบบอกว่าแกะของเรานั้นย่อมฟังเสียงของเรา แก่นั้นจะจำเสียงของผู้เลี้ยงได้พี่น้องครับหากว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินพระนะของพระเจ้าได้ยินคำของพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นคำที่อยู่ในชั้นเรียนพระคมภีรอยู่ในพระคำของพระเจ้าหรืออยู่ในคําเทศนาหรืออยู่ในคาหนุนใจหรือการแต่งปันจากผู้คนของพระเจ้าเราก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่ตรัดผ่านพี่น้องเหล่านี้มาตัดผ่านพระนะของพระเจ้ามา ตัดผ่านคำเทศนามาตัดอยู่ในชั้นเรียนและวเวลาศึกษาตัดอยู่ในชั้นเรียนพระคมภีมาพี่น้องครับถ้าเรามาจากพระเจ้าเราก็จะย่อมรู้และฟังพระเจ้าของพระเจ้าการฟังพี่น้องอย่าลืมนะครับมันจะโยงไปถึงการเชื่อฟังครับพี่น้องแล้วกลับมาดูนะครับว่ามารซาตานนั้นมันทำอย่างไงบ้างในข้อที่สี่สิบนะครับ ถอยกลับมาดูในข้อที่40พวกฟอริสีพวกธรรมจารนั้นหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูนะครับหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจถ้อยคำที่พระเยซูพูดเพราะเหตุที่มาร์ซาตานนั้นควบคุมชีวิตของเขามาร์ซาตานนั้นผูกมัดเขามาร์ซาตานเอาพวกเขาเป็นทาสของมัน มันก็เลยปิดหูปิดตาปิดใจทำให้เขาไม่เข้าใจแต่พระพรีพูดต่อไปนะครับว่าการที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาทนฟังคำของเราไม่ได้พี่น้องครับใครเป็นคนที่ทนฟังคำของเราไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็าจะสามารถที่จะทนฟังได้แต่เพราะเหตุที่ว่ามารสาตา น, นเข้าไปควบคุมมารสาตานั้นเข้าไปสิงอยู่ในชีวิตของพวกเขาเขาก็ทนฟังคาของพระเจ้าไม่ได้ คนฟังคําของพระเยซูไม่ได้และนี่เป็นเหตุที่ทําให้ในที่สุดแล้วนะครับเราก็เห็นถึงธรรมชาติหรือสันดานของมารซาตานนะครับหรือสิ่งที่มารซาตานนั้นตั้งใจที่จะทำในชีวิตของผู้คนไปสืยผู้ชัดนะครับว่ามันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ผมปฐมกาลพี่น้องครับอาดัมเอวาทำบาปนะครับมันก็ล่อลวง ลูกของอาดัมเอวาก็คือคาอินก็ฆ่าอาเบลเห็นไหมครับพี่น้องครับฆาตกรรมครั้งแรกนะครับฆาตกรรมครั้งแรกอยู่ในประฐมกา์พี่ฆ่าน้องและความเข้มข้นของความรุนแรงของความบาปนั้นก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรืเ่อยๆจนกระทั่งถึงยุค ข, ของน้ำท่วมพระเจ้าก็ต้องให้น้ำท่วม มากวัดล้างความบาปไปออกไปชุดหนึ่งครับพี่น้องครับตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าโลกนี้อยู่ภายใต้มารร้ายครับและพระเจ้าอนุญาตให้มารร้ายมันควบคุมคนในโลกนี้เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าเองนั้นก็ปรารถนาที่จะให้โอกาสกับคนมากมายครับทุกวันนี้โลกเรายังไม่ได้รับการกวาดกวาดล้างพิภากษาของพระเจ้านะครับ เราอยู่ในสิ่งน่วงเหนียวที่ในพระกัมภีสองเทลสัสกาพูดนะครับสิ่งน่วงเหนียวนี้มีความหมายได้หลายอย่างแต่นักวิชาการพระกัมภีร์ก็ยืนยันและให้ความหมายว่าสิ่งน่วงเหนียวนี้คือพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ถ้าพระเจ้าหรือพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ไม่ได้น่วงเหนียวมารซาตานมันฆ่าคนหมดทุกคนในโลกนี้เลยครับพี่น้องครับเราเองต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกของพระเจ้ามารซาตานไม่อาจแตะต้องชีวิตของเราได้ แต่มารสตานนั้นมันก็ยังส่งความคิดส่งอิทธิพลนะครับมาถึงชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันผ่านใครครับผ่านคนที่อยู่รอบๆบข้างเราผ่านพวกฟาริสีธรรมจารย์ทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเราพี่น้องครับเราอาจจะโดนข่มเหงเพราะมันไม่อยากที่จะให้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าอย่างง่ายๆเป็นภัชนะที่ประกาศการประเสริฐอย่างง่ายๆมันก็ส่งความทุกข์ยากลาบากมา ส่งการข่มเหงเข้ามาบางครั้งมันส่งอุบัติเหตุต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายซึ่งเป็นกคำอธิษฐานที่เบียซูตัสสอนเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีความเชื่อฟังในพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องเราหวานล้อม ด, ญญญด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยทูตสวรรค์และด้วยพระคุณของพระเจ้า ความรอดของพระองค์และการอารักขาของพระองค์ที่จะมาถึงชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเรามาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระชนะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้มารซาตานนั้นมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่พรธมการมันไม่มีสัจจะสันดาณของมันนั้นอยู่ในความเท็จทั้งหมดและมันเป็นพ่อแห่งการมุษาพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ตระหนักและรู้ว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณตลอดเวลาในขณะที่เราคิดถึงพระเยซูเราขอพระองค์ปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเราต้องระวังมารซาตานและหลุมพรางของมันเราต้องรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวของเราก็ตามอยู่ในคริสตจักรของเราก็ตามอยู่ในที่ทำงานของเราก็ตามมันเป็นหลุมพรางที่มารซาตานมันขุดครับ แต่ด้วยการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการยึดยึดแน่นอยู่ในพระเจ้านะของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะเหนือมารซาตานได้เพราะพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้านั้นได้ปกคุมเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นมารซาตานมันไม่สามารถเข้ามาควบคุมบัญชาชีวิตของเราได้เหมือนกับพวกฟาริสีเหมือนกับพวกธรรมอาจารย์ทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเราและปกป้องพี่น้องทุกทุกคนรวมทั้งผมเองและครอบครัวด้วย ให้ปัาจากซึ่งชั่วร้ายให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างเหตุว่าราชสำนากริดเดตและพระศิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน